รวมสิกขาบทที่มีในสังคาทิเศตกันสังคาทิเศตสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการก่อคดีพิพาทสังคาทิเศตสิกขาบทที่สองว่าด้วยการบวชให้สตรีผู้เป็นโจรสังคาทิเศตสิกขาบทที่สามว่าด้วยการเข้าและแวกหมู่บ้านตามลำพังเป็นต้น สังคาทิเศตบทที่ 4. ว่าด้วยการเรียกภิกษุณีที่ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเข้าหมู่สังคาทิเศตสิกขาบทที่ 5. ว่าด้วยการรับโภชนะจากมือชายผู้กำนัดสังคาทิเศตสิกขาบทที่ 6. ว่าด้วยการส่งเสริมภิกษุณีให้รับโภชนะจากมือชายผู้กำนัด สังคาทิเศษสิกขาบทที่7ว่าด้วยการบอกคืนพระ ร, ะรัตนไตรสังคาทิเศษสิกขาบทที่8ว่าด้วยภิกษุณีโกรธเพราะถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรณ์สังคาทิเศษสิกขาบทที่9ว่าด้วยภิกษุณีมีความประพฤติเลวสามสังคาทิเศษสิกขาบทที่สิบ ว่าด้วยการยุยงส่งเสริมให้ภิกษุณีประพฤติเลวสามรวมอาบัต ส, สังฆาทิเศษสิบสิกขาบทละ